2.2 พระสารีบุตรสอนธรรมะพระอนุรุธทธะวงเล็บเปิดสิเมษายนสอ5พัในวงเล็บสองวงเล็บปิดพระสารีบุตรเคยสอนพระอนุรุธทธะพระอนุรุธทธะไปภาวนาอยู่ในป่าได้โสดาและได้ทิพยจักสุท่านก็เที่ยวดูโลกธาตุเกิดดับวันหนึ่งท่านก็มาถามพระสารีบุตรว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดแค่แต่ท่านพระสารีบุตรพูดเจริญผมมีทิพยจักสุเลิศกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับภายในเวลาเพียงครู่เดียวทำไมผมไม่บรรลุพระอารหันทรักทีปิดเครื่องหมายคำพูดพระสารีบุตรท่านแยกประโยคนี้ให้ฟังที่เล่าว่าเปิดเครื่องหมายคำพูดผมมีทิพยาจักษุเลิศกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายปิดเครื่องหมายคำพูดคือผมอวดดีอวดเก่งนี่เรียกว่ามานะเปิดเครื่องหมายคำพูดผมเที่ยวรู้โลกธาตุในเวลาเพียงครู่เดียวปิดเครื่องหมายคำพูดนั่นฟุงซ่าน เครื่องหมายคำพูดเปิดเมื่อไรผมจะบรรลุสักทีนั่นคือความลำคานใจกิเลสชื่อกุกกะขุจจะเป็นโทสะชนิดหนึ่งพระสารีบุตรบอกให้ท่านละทาสามอย่างนี้น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุแล้วท่านจะบรรลุพระอรหันต์ละทาสามอย่างก็คือให้รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุไม่ได้น้อมไปไหนหรอกก็รู้เท่าทัานความปรุงแต่งจนมันหมดความปรุงแต่งไป อมะตะธาตุก็คือวิสังขารในวงเล็บความไม่ปรุงแต่งคือวิราคะในวงเล็บความไม่อยากเพราะฉะนั้นใจมีความอยากขึ้นมาก็รู้ทันใจมีความปรุงแต่งก็รู้ทันในที่สุดใจก็พ้นจากความอยากและความปรุงแต่งเหลือแต่สักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่เมื่อจิตสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายมันจะตรงความจริงไม่ใช่เห็นแล้วแทรกแซงเห็นแล้วมันน่าจะอย่างโน้นนะน่าจะอย่างนี้นะ มันควรอย่างนั้นมันไม่ควรอย่างนี้ที่เห็นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะถ้าเห็นอย่างที่เป็นจริงๆใจมันจะแจ้งขึ้นมาใจมันหมดความดิ้นรนมันจะเห็นนิพพาน